คำว่ามุนีมุนีเนี่ยนะมุนีอะ่ะก็คือมียานยานนี่เรียกว่าโมนะก็คือปัญญาความรู้ทั่วความรู้ชัดเป็นตนน้นน่ความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำความเห็นชอบบุคคลประกอบด้วยยานนะนะั้นชื่อว่ามุนีคือพูดถึงยานที่ชื่อว่าโมนะโมนะก็คือโมนายะนะแปลว่าธรรมะที่ทำให้เป็นมุนี ธรรมะที่ทําให้เป็นมูนีเนี่ยมีสามอย่างด้วยกันก็คือโมเนยธรมรมทางกายโมเนยธรรมทางวาจาแล้วก็โมเนยธรรมทางใจโมเนยธรรมทางกายก็คือทางกา ย, ากายาวิญญาณหรือว่ปปากายวิญญาตินะนะรูปกายโมเนยธรรมทางวาจาก็คือวจีวิญญาติหรือสัท ธ, ธวาจาโมเนยธรรมทางใจเนี่ยนะก็คือจิตในมโนทวาน นี่คว่าโมนายธรรมทางกายเนี่ยเป็นฉไนาการละกายทุจริตสามอย่างชื่อว่ากายะโมนายธรรมอะเรียกว่ามีโมนายธรรมทางกายคือละความชั่วทางกายนะปานาละปานาติบาสละอธินาทานละการมีสุเมชาจารนะ์น่ะแล้วก็ประพฤติกายสุจริตสามอย่างนี่นะคือความสุจริตทางกายเนี่ยนะคือเว้นจากปานาติบาสการงดเว้นจากอธินาทาน การงดเว้นจากการเมตสุมิฉาจาร์การงดเว้นจากปาณาติบาก็คือการที่มีเมตตาเนี่ยนะต่อสัตว์ทั้งหลายวางอาบยาวางสาราวางอาวุธในสัตว์มีจิตอนุเคราะห์สัตว์เอื้อเอ็นดูสัตว์สุจริตทางกายอีกในหนึ่งก็คือไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านในป่าเนี่ยนะถ้าจะเอาก็ถือเอาแต่ของที่เขาให้เท่านั้นเอง แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าเป็นนักพรตก็คือประพฤติพรหมจรรย์ยานที่มีกายเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าโมนายธรรมทางกายเนี่ยนะยานที่มีกายเป็นอารมณ์ก็คือพิจารณากายอ่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือก็คือผู้ที่เจริญกายานุปัสนาทั้งสิบสี่บพะนั่นแหละพิจารณากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟี หรือพิจรารณากายเหล่าเนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นของเที่ยงตามเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขเห็นด้วยความเป็นอนา NO ตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่ยึดถือแล้วก็เอากายเนี่ยมาทําปริญญาสามเนี่ยนะยาตาปริญญาพิจารณาแยกแยะกายนะโดยในยะต่างๆเนี่ยนะเช่นพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเนี่ยนะเป็นธาตุก็คือปฐวีธาตุ โดยการ20อ่อโปท่าสิบสเตโชท่าสี่วายโยท่าหกหรือพิจารณาโดยขันก็คือรูปปัจขันพิจารณาโดยยตนาก็คือจักขวา ย, ยตนาเป็นต้นนั่นเองพิจารณาโดยท่าก็คือจักขู่ท่าอันก็เอากายเหล่านี้มาทําปริญญาโดยนิยต่างๆแม้กระทั่งตามกายานุปัสนา14บัีพามีลมหายใจเป็นเบื้องต้นนี พิจารณาโดยลมหายใจพิจารณาโดยอริยาบทพิจารณาโดยสัมปชัญญะสในฐานะ7พิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลโดยอาการ32พิจารณาโดยธาตุสพิจารณาโดยป่าช้าเ้านี่ยนะตั้งแต่ซากศพที่ตาย1วัน2วัน3าวันเป็นซากศพขึ้นเกิดอืดเกี้ยวพองจนถึงซากศพที่แหลกเป็นผุยผงอันก็มาทําปริญญาทั้ง3เนี่ยนะยาตะประิญญาตีระประิญญาปะหานะประิญญา ผู้ที่เอากายมาทําปริญญาอย่างนี้ชื่อว่ามีโมนยธรรมทางกายหรือถ้าทําปริญญาเสร็จเนี่ยนะบรรลุอริยมรรคมรรคอันสหรคตด้วยปริญญาอันนั้นก็ชื่อว่าโมนยธรรมทางกายจนสามารถตัดฉันทราค่าในกายเนี่ยนะมุนีก็คือมมีโมนยธรรมหมายถึงปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีอันนะ มันผู้ที่ทําปริญญาในกายก็สามารถที่จะตัดฉันทราค่าในกายได้นะคิดยังไงจะจะพ้นปัทวีธาตุนะคุณผู้ชมคิดอะไรจึงจะไม่มีปัทวีธาตุสิ่งนั้นอะ่ะไม่เจือด้วยปัทวีธาตุไม่ได้เกิดจากปัทวีธาตุเลยนะไม่ได้มีปัทวีธาตุเป็นปัจจัยอะ่ะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะเริ่มพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดะ ายังมีเกี่ยวกับทั้งหลายที่รับรู้เนี่ยยังไงก็ยังชื่อว่ามีฉันทราคะในกายตอบออกจากสิ่งเหล่านี้นะคําว่าออกนี่ออกทางใจนะนั่นเองแต่ไม่ใช่ออกจากอันนี้แล้วไปคิดหาอันใหม่อีกนะไม่ใช่แล้วนะเราคิดอยู่ช่องว่างๆก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละนัต้องเกิดจากการพิจารณาแล้วเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเนี่ยนะเกิดจากความเบื่อหน่ายคลายกําหนัด หรือความดับแห่งกายยสังขารคือดับลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกจะดับจริงๆเมื่อเข้าฌานที่สี่จะตุทัชฌานคุณธรรมที่กล่าวไปเนี่ยนะแประการตั้งแต่ละกายยะทูตจริญสมีกายสุจริษสายานมีกายเป็นอารมณ์การทําปริญญาในกายอริยมรรคอันสหรคตด้วยปริญญาการละฉันทราฆาในกายความดับกายยสังขารจะตุทัชฌานเนี่ยชื่อว่า โมนยธรรมทางกายนี่นะแสดกว่าเป็นผู้รอบรู้เรื่องกายเป็นอย่างดีนะทาปริญญาในเรื่องกายตั้งแต่ละละความชั่วทางกายทําความดีทางกายอ่านะปัญญาที่มีกายเป็นอารมณ์อ่ะปัญญาที่พิจารณากายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอ่ะการเอากายมาทําปริญญาโดยแง่ ม, มุมต่างๆอ่ะทําปริญญาจนเป็นปัจจัยให้เกิดอริยมรรคอริยมรรคตัดฉันทะราคะในกายได้หรือกําหนดกายจนได้ฌานที่สี่อ่ะนะ จนดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้นั่นแหละเรียกว่าผู้มีโมเนยธรรมทางกายเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าเป็นมุนีทางกายจริงๆนะจะเป็นมุนีได้ก็ต้องรอบรู้อย่างนี้แหละเนี่ยนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะผู้ที่เป็นมุนีหรือโมเนยธรรมทางกายเนี่ยจะต้องรู้จักโทษภัยของทุตเจริญสามเนีย่ยนะว่าทุจริญสามถ้าประพฤติปฏิบัติจะมีผลต่อไปอย่างไรถ้าละกายทูตเจริญสามดีอย่างไร ถ้าบำเพ็ญกายสุดถ้าไม่บำเพ็ญกายสุดจริตสามเสียหายยังไงถ้าเจริญกายสุดจริตสามดียังไงเนี่ยนะแล้วตัวจริงๆของกายมันเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตตาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเอากายเนี่ยมาทําปริญญาตั้งแต่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกปุนผุยผงเป็นที่สุดพิจารณากายจนอรยิยมรรคเกิดขึ้นนะเป็นอรยิยมรรคที่เกิดจากการพิจารณากายจนละฉันทะราคะตัดตัณหาในกายได้เด็ดขาด จนกำว่าได้ฌานสี่อ่ะดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้อย่างนี้แหละเรียกว่ามีโมเนยธรรมทางกายคำว่าคนรอบรู้เรื่องกายจริงๆต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนะจึงจะเรียกว่ารอบรู้กายโดยตลอดสายทวนอีกครั้งหนึ่งนะจะต้องละกะความชั่วทางกายประพฤติความดีทางกายรู้ความเป็นจริงของกายเอากายเนี่ยมาทําปริญญาสามทำปริญญาจนอริยมรรคเกิดขึ้นเพราะพิจารณากายอ่ะ ตัดฉันธราคะตัดเยื่อใหญ่ในกายเข้าฌานที่สี่ดับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างงี้จริงก็เรียกว่าคนรอบรู้เรื่องกายจริงๆนเนี่ยนะอันนี้กายเนะ่ยนี่กายกายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าจะรู้เรื่องกายเนี่ยเพรา ะ, ะสิ่งที่ทําเนี่ยทําอะไรลงไปต้องเอามาพิจารณาหมดอนะ่ะเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อไปเป็นต้นก็ต้องเอามาพิจารณาเนี่ยนะ มาวิเคราะห์แยกแยะกายทั้งการเริ่มโน่นแหละกายเนี่ยยังลงสู่ปฏิสนธิจนกายเนี่ยแหลกเป็นผุยผงอ่ะนะจะต้องรอบรู้เรื่องกายตลอดสายอย่างนี้ส่วนโมนยธรรมทางวาจานี่เป็นไนคือการละวจีทุจริตสี่อย่างละคำพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเนี่ยนะพูดคำหยาบอะ่ะแล้วก็ประพฤติวจีสุจริตสีอย่างยามมีวาจาเป็นอารมณ์ การทำปริญญาในวาจามักอันสหรคต ด, ด้วยปริญญาการละฉันทราคะในวาจาความดับแห่งวจีสังขารความบรรลุทุติยาชาญเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเนี้ยเป็นผู้ที่รอบรู้วาจาอย่างตลอดสายเนี่ยนะรู้จักเรียกว่าคำพูดอ่ะนะเรื่องเกี่ยวกับคำคำเนี่ยเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องการพูดเหมือนกัน ว่าถ้าเป็นนักพูดหรือคนที่รอบรู้ในเรื่องคําพูดจริงๆก็ถือคนที่ละคําพูดที่เลวทั้งหลายละคําพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์พูดซอเสียดเนี่ยนะต้องละคําพูดอย่างนี้ได้หรือเรียกว่าผู้ที่รอบรู้ในคําพูดเพราะอะไรเพราะว่าพูดอย่างนั้นแล้วมีผลยังไงเนี่ยนะถ้าพูดคำหยาบเพอเจอร์ซอเสียดเนี่ยนะหรือว่าพูดให้เขาแตกแยกกันเนี่ยคำพูดเหล่านี้ล่วงกำมบทให้ผลนําเกิดในอบายได้เนี่ยนะ แล้วก็ผู้ที่พูดวจีทุจริตสาเอ่อวจีทุจริตสี่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้เนี่ยนะผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ติเตียนตัวเองได้เป็นคําพูดที่นํามาซึ่งความเดือดร้อนในโลกนี้นํามาซึ่งความเดือดร้อนในโลกหน้าขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอะนั้นผู้ที่มีโมเนยธรรมทางวาจารอบรู้คําคําพูดที่เลวทั้งสี่ประการเนี่ยนะจนละคําพูดที่เลวเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะรอบรู้ในวจีทุจริต รอบรู้แม้กระทั่งว่าถ้าพูดคําเหล่านี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะทีนี้ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าวจีสุจริตสี่ประการถ้าไม่พูดดีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าไม่ประพฤตินะถ้าประพฤติวจีสุจริตเรียกว่าพูดดํารงอยู่ในคําสั์คําจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวินัยพูดด้วยเมตตาจิตเนี่ยนะพูดเพื่อความสมัครสมานสามัคคีปลองดองอะ่ะจนถึงระคําพูดที่ประกาศอริยสัจเนี่ยเป็นวจีสุจริต อันว่าจีสุจริทเหล่านี้ถ้าบุคคลประพฤติแล้วมีคุณอย่างไรมีคุณานิสงได้รับประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็ต้องเอาวาจาของตัวเองเนี่ยคำพูดทุกคาพูดเนี่ยมาทำปริญญาคำพูดที่เคยพูดมาแล้วคำพูดที่จะพูดต่อไปสิ่งที่กำลังพูดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นเหตุเป็นผลยังไงคำพูดเหล่านี้มีจิตอะไรเป็นสมุทฐานเนี่ย มันจะต้องรอบรู้ในคําพูดเหล่านี้แล้วเอาคําพูดเหล่านี้มาทําปริญญาเนี่ยนะตังแตยาตะปริญญาว่าไอสัตว์วารจาคำพูดที่เปล่งออกมามีจิตเป็นสมุทฐานจิตที่เปล่งออกมามีอะไรบ้างอะนะโลภะเป็นเหตุให้พูดได้ไหมโทสะโมหะมานะทิฐิเป็นเหตุให้พูดได้ไหมพูดด้วยอํานาจกุศลที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็รอบรู้วิเคราะห์คําพูดเหล่านั้นนี่คําพูดเหล่านั้นเนี่ยมีผลต่อไปอย่างไร เป็นวิบากเกิดอย่างไรแล้วทำไมต้องพูดคำพูดเหล่านี้เกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยนะเมื่อรอบรู้อย่างนี้นะใครครวญอย่างนี้ก็พี่าจรณาถึงความไม่เที่ยงแห่งคำพูดทั้งหลายนะอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตอนตะโตอ่ะที่เรียกว่าเอาวาจาเหล่านี้มาทำปริญญาเนี่ยนะจนสามารถอริยมรรคเกิดขึ้นตัดฉันทราคะในวาจาได้เนี่ยนะแล้วก็วาจาเนี่ย ต้นเหตุของคําพูดก็คือวิตกวิจาร์เนี่ยนะวิตกวิจาร์ชื่อว่าวจีสังขารมันท่านแน่จริงรอบรู้ในเรื่องคําพูดต้องดับวิตกวิจาร์ได้เนี่ยนะด้วยทุติยชานเนี่ยนะเข้าทุติยชานจึงจะดับวาจาได้อย่างที่กล่าวไปเรียกว่าโมนียธรรมทางวาจาเป็นผู้ที่รอบรู้ทางวาจาจริงๆเนี่ยนะอันเกี่ยวกับเรื่องวาจาเนี่ยคนรู้วาจาจริงก็ต้องละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตอันนะ เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาวาจาเอาวาจามาทําปริญญาทําปริญญาในวาจาจนอริยมรรคเกิดขึ้นตัดฉันทราคะในวาจาได้นนเข้าทุติยฌ า, านที่ดับวิตกวิจารได้อย่างนี้เรียกว่ารอบรู้ในเรื่องวาจาอย่างจริงพวกเราก็รู้แต่รู้ว่ารู้ว่าพูดแต่ว่าพูดเป็นสุจิริทุจิริอันนี้ไม่ค่อยรู้แล้วผลแห่งคําพูดเหล่านั้นโดยมากก็ไม่รู้ก็ไม่เคยเอาวาจาเหล่านั้นมาทําปริญญาอีกเมื่อไม่เอาวาจามาทําปริญญาเนี่ยนะ อริยมร ก, ก็ไม่เกิดอันที่สําคัญมากเนี่ยนะก็คือการเอาคําพูดที่เราพูดเนี่ยมาทําปริญญาถ้าไม่เอาคําพูดมาทําปริญญานะมันไม่เนี่ยไม่พ้นวจีทุจอริตสี่อย่างนี่หรอกคําพูดของปุตุชน ท, ทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะไม่มีง่ายๆหรอกคาพูดที่สอดคล้องหลักอริยสัจมีแต่เป็นคําพูดโดยมากขัดแย้งต่ออริยสัจและก็คําพูดเหล่านั้นโดยมากไม่ใช่กระถาวัตถุ10ประการจะเป็นไปในเดรชันกระถา ถ้า ส, ส่วนใหญ่เนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่พูดคําพูดที่เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรวิเวกไม่พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะถ้าไม่พูดสิ่งเหล่านี้ก็ไปพูดความชั่วเมื่อพูดความชั่วหนักๆเข้าก็เนี่แหละเหมันเสียงสัตว์ที่เรากำลังได้ยินเนี่ยนะหนักที่สุดก็ต้องมาพูดพูดอย่างนี้พูดโดยที่ไม่มีที่จบที่สิ้นนะนะไม่รู้ร้องให้มันเป็นอะไรถ้ากบล้องเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตนะ แต่ว่ากบมันก็ตายเพราะปากถ้ามันไม่ร้องคนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นหรอกพวกเอืงก็เหมือนกันนะถ้าฝนตกเนี่ยพวกเอื้องมันจะออกมาร้องเนี่ยเมื่อเอืงมันร้องเนี่ยหมายถึงว่ามันเกือบตายแล้วนะการร้องของมันแต่ละครั้งก็เรียกหาพญามัจจุราชนั่นเองเรียกให้คนเอาไปจับเอาไปต้มขายเนี่ยนะเอื้องนี่คนก็บรรนอกงกากินเอื้องกันทั้งนั้นไงนี่ไงนี่หน้าเอืงก็เอาไปต้มเนี่ยนะยิ่งเอืงหน้านี่มันจะมีไข่ด้วย เอืงอ่างเนี่ยเอืงอ่างเอื้งอ่างโกรธโกรธนี่ยนะเนี่ยเขาเอาไปต้มกันงั้นผู้ที่ไม่ละวจีวจีผลของวจีทุจเด็ดเนี่ยนะก็ต้องมาเหา่ามาฮอนเหมือนที่เราได้ยินนี่แหละะเป็นคําพูดที่ไม่มีประโยชน์เป็นคําพูดที่ร้องรําทําเพลงเป็นคําพูดที่เกี่ยวกัพูดไปแล้วนํามาซึ่งความเดือดร้อนใจให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะงั้นจะต้องเอาวาจาเนี่ยมาทําปริญญา อันถ้าใครไม่เอาวาจามาทําปริญญาเนะี่ยถ้อยคําของเขาส่วนใหญ่เป็นคําเพอ้อเจอ้อดีไม่ดีเป็นคําพูดที่ลบหลู่ดูหมิ่นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอันนั้นอ่ะหนักมากมีโทษมากถ้ายิ่งคําพูดที่ปฏิเสธคําสอนด้วยนะมีโทษมากในบรรดากรรมที่ทํามากกว่ากายก็คือวาจาทางกายเราจะขยับตัวได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ลิ้นเนี่ยมันตวัดขึ้นตวัดลงตวัดขึ้นตวัดลงโอ้ยออกมาเป็นเยอะแยะไปหมดเลยนะ แปล่งเป็นเสียงดังออกมาเนี่ยพูดให้เขาเป็นก็ได้พูดให้เขาตายก็ได้พูดให้เขาพ้นทุกข์ก็ได้เนี่ยนะพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจโกรธแค้นทั้งชาติก็ได้เนะคําพูดเนี่ยลิ้นสามนิ้วตวัดขึ้นตวัดลงเนี่ยโหยิ่งใหญ่จริงๆรินี่นอก็แต่ทีนี้ถ้าทํากรรมเหล่านั้นเอาไว้บ่อยๆนะก็คือเนี่ยเขาเกี่ยวลิ้นออกมาตัดนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายก็ติดในเนี่ยทวานปากนี่แหละเป็นทวานที่ทํากรรมกันบานแบะเลยเนะ่น คนส่วนหนึ่งอ่ะนะไม่ได้ทําชั่วทางกายสักเท่ า, หาไหร่แม่แต่ทวารวาจาเนี่ยลองบันทึกเทปไว้นะะที่เราเคยพูดทั้งหมดทั้งชาติเนี่ยนะบันทึกเทปมาให้เราฟังดูนะฟังไหมคุณบัรจูฟังไหมคําพูดที่เคยพูดทั้งหมดในชาติเนี่ยนะ เ, น <laughs> เอามาทวนหน่อยนะทวนที่เคยพูดไปทั้งหมดเลยจังยี่ตอนเอาไหมไม่รับเลยนะนะเ <laughs> ก็บทุกคําที่เคยพูดตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยนะ เอยเอามาฟังดูนะแต่ละแต่ละคําแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะสรรหามาพูดทั้งหลายแลไรเนี่ยถ้าไม่เอามาไถ่ชวนดูนะไม่ไม่เอามาทําปริญญาเนี่ยก็ต้องเอามาทําปริญญาเมื่อทําปริญญาเนี้ยจะรู้ว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยนะอันถ้าการทําปริญญาในวาจาเนี่ยนะเน้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งคําพูดจนสามารถบรรลุมรรคผลได้นั่นแหละ